ก็จะให้ท่านได้ <c oughs> เล่าอะไรให้ฟังตามที่ท่านได้ปฏิบัติในวันนี้นะขอมนอมๆแด่องค์พระรัตนตรัยงสามองค์ด้วยสีล้ากลาบสรราการขอกาบถวายความคเคารพแด่หลวงพ่อพระมหานิเรกและคณะสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงอาจเจริญพรมายังยาดีธรรมทุกท่านทั้งวาสกวาสิกานะครับ อาตะวาภาพให้กูอาคับปัญโยภาษานี้ภาษาสี่เป็นคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็จบที่กรุงเทพจบปัญญาโทนะฮะแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่บริษัทอยู่ยเกี่ยวกับการเงินตลอดอยู่ธนาคารเกษิกรสิบเจ็ดปีแล้วก็ออกมาอยู่ตลาดหุ้นยี่สิบปี ทำงานแต่ละวันก็ไม่ได้คิดอะไรมากเช้าก็ขับรถไปทํางานคิดว่าเราได้เงินเยอะๆแล้วเราจะรวยเราจะมีความสุขก็หาเงินทุกวันเพื่อที่จะไปเซิร์ฟร่างกายเราเนี้ยเพราะเราอยู่ในสังคมเนี่ยอยู่ในสังคมที่มันมันไปกับกระแสสังคมแล้วทุกคนต้องยอมรับเราเราต้องกินอาหารดีๆ ต้องมีรถเก๋งดีๆขับมีบ้านอยู่มีคอนโดอยู่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ซเซิร์ฟเทั้งนั้นเลยเซิรร่างกายเนี่ยเพื่อรียให้มันดูดีโดยไม่ได้ดูแลจิตใจจิตใจเป็นยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นความเร่าร้อนของของของจิตซึ่งมันเขาเรียกว่างไง่ะ มันไม่มีที่พึ่งอะจิตมันไม่มีที่พึ่งเพราะว่าไอ้จิตที่มาเร่าร้อนเนี่ยมันมันต้องการต้องการสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเซิร์ฟร่างกายทํำยังไงก็ได้เราต้องเซิร์ฟร่างกายเราให้มันดูดีฉะนั้นทุกท่านก็คงมืออาตมาเราต้องทํางานแต่โชคดีที่เป็นคนโสดไม่เลยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นห่วงครอบครัวเท่าไหร่เราทํางานทุกวันก็ขับรถออกไปทํางานไปอยู่ในห้องห้องนึง เราคิดว่าวันเนี้ยอยู่ตลาดหุ้นเราจะทําเงินเท่าไหร่สมมุติวันนี้ได้กาไรแสนหนึ่งพรุ่งนี้เราจะาต่อยเท่าไหร่เมื่อลืนจะต่อยเท่าไหร่มันจะเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยครับไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ไม่ทราบว่ามันจะจุดจบมันอยู่ตรงไห น, นเพราะว่าจิตใจเราก็เราร้อนทุกวันเพราะว่าเราต้องการหาเงินหาเงินเพื่อจะเซิร์ฟเซลล์ตัวตนเราก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้น ความเห็นแก่ตัวกวนเอารับเอาเปรียบ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มมาขึ้นเรื่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็เปรียบเหมือนนักมวยที่เราเราขึ้นไปชกมันมีมันชกขึ้นไปเนี่ยสองคนเนี่ยเราเวลาเราชกแพ้นเนี่ยเราก็เจ็บตัวนี่เจ็บแน่นอนชนะเราก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่ไม่เจ็บนะเพราะว่าเราชนะเขาเนี่ยเราก็ต้องถูกเขายับกลับมาเหมือนกันสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คือคือความสะใจ สาใจว่าอ๋อไอนี่กูเก่งกูเก่งมันก็แค่นั้นอ่ะจนวันหนึ่งมันมีมันมีความรู้สึกว่าเรามีปัญหามากเพราะว่าไอลูกน้องเราเนี่ยแต่ละคนมันรวยๆนัเงินเดือนสามสี่แสนขอจะมาอย่สู้มันไม่ละมันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเราจะต้องแบ่งกันในระหว่างระหว่างทีมเนี่ยเพราะการทํางานตลาดหุ้นเนี่ยมันคือตลาดหุ้นเป็นงานประเภทหนึ่งซึ่งมันมันลำบากเพราะว่า ไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันเป็นงานของพวกมนุษย์ทองคํา <c> ำ <oughs> ก่อนคุณจะเข้างานเนี่ยคุณจะไปต่อรองกับบริษัทว่าเรามีทีมขนาดเนี้ยเราจะต้องการทํำโบรุ่มให้เท่านี้ยคุณต้องให้เงินเราก้อนหนึ่งก่อนสามล้านห้าล้านสิบล้านแล้วแต่ไอไอยอดโบรุ่มของเราแต่ละแต่ละทีมตอน น, นี้ยังไม่ได้ทำงานนะเราต่อรองเงินพอเราได้เงินก้อนนี้เราก็มาแบ่งให้ลูกน้องเราแต่ละคนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปทํางานทํางานเสร็จไอพวกนี้มันจะมี ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งล้านบาทได้หกร้อยกว่าบาทถ้าคุณเทรดร้อยล้านปเดือนหนึ่งได้หกหมื่นคุณเทรดวันละสามเดือนละสามร้อยล้านคุณได้แสนปังแต่มันได้มากกว่านั้นเพราะบางคนบางคนบางคนวันหนึ่งมันเทรดร้อยล้านยี่สิบวันมันเทรดสองพันล้านคุณคิดรายได้มันบาทีเป็นล้านมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไอ้โปรฟิเชชี่เนี่ยมันแบ่งไม่ได้เนื่องจากว่าหนึ่งเราต้องจ่ายค่าขาปางให้เขา คนยิ่งรวย น, นี่จำไว้นะมันยิ่งขี้เหนียวนะโดยผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็นี่ไม่ได้ว่าผู้หญิงที่ที่นี่นะะหมายถึงว่าคนที่เขาเขารวยแบบเขาเขาเขาได้แล้วเขาเขาไม่ยอมหยุดนะ่ะเขาอยากจะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆสุดท้ายเราก็ไม่ไหวว่าเราไม่รู้ว่าจะทําไงเพราะว่าเดือนห น, นึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายเงินพวกนี้เยอะมากเป็นแสนก็เลยเครียดเครียดเสร็จเราก็ไปหาหาที่ประดิธรรมที่วัดสม ไปวแบบ่าแนวแนวดูลมหายใจอนาปาณสิณาปาณสติสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไปเอาสมาธิไปข่มจิตแล้วมันจะโปดหัวมากพุโทโธพุโทโธทุกวันงโปดหัวสมาธิมันแน่นขนาดที่ว่าเรายืนเฉยๆเนี่ยตัวเรายังแกว่งแน้นถึงขนาดนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเพยืนหลับตาปุ๊บเนี่ยตัวมันหมุนติ้วเลย สุดท้ายพลอยพวกนี้มันหมดออกไปแล้วมันมันก็ยังมีโรคโกรธหลงกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มาเจอแนวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันเป็นการเจิติแบบเรารู้สึกตัวตลอดเวลามันเลยช่วยให้เราสามารถที่จะทําได้ยี่บสี่ชั่วโมงแต่ก่อนได้หลับตานี่มันทําให้ได้ยี่บสี่ชั่วโมงเพราะว่าบางทีเราก็ขับรถบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ย มันทําได้ยี่บสี่ชั่วโมงเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราขับรถเราก็เคาะไปได้เรื่อยๆใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราเราเราก็มีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะสงบเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยตอนนี้มันไม่มีที่พึ่งทางใจทุกท่านถามตัวเองนะครับตอนนี้ที่พึ่งทางใจของท่านอยู่ที่ไหนแล้วท่านมีอะไรเป็นที่พึ่งในหนึ่งชีวิตของท่านที่เกิดมาเนี่ย มันหาเงินได้ครั้งเดียวทรัพสมบัติที่ท่านหานี่หาได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับสุดท้ายแล้วเวลาท่านจากไปแล้วไอตัวนั้นท่านต้องทิ้งนะครับท่านต้องทิ้งนะครับเพราะว่าเจ้าของตัวจริงเขามีอยู่นะจะเป็นบ้านรถยนต์ทรัพย์สินเงินทองที่ดินสามีภรรยาลูกเต้าทั้งหลายพวกนั้นเขามีเจ้าของตัวจริงหมดเจ้าของตัวจริงไหนที่นี่หมายถึงว่าเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเจ้าของตัวจริงสมบัติทุกชิ้นของท่านที่มีอยู่มันจะเข้ากดอยู่สองข้อคือหนึ่งมันต้องจากท่านก่อนคุณทักษิงก็เข้ากดข้อ น, นี้นะฮะสองมันก็ต้องจากคุณก่อนมันมีแค่นีน้คุณจากเขาก่อนหรือเขาจากคุณก่อนไม่มีกดข้อที่สามัน้นจาว้นะครับฉะนั้น ท่านต้องมีพอร์ตโฟเลโอหาอริยทรัพย์ทางใจพยายามนะครับพยายามหาที่พึ่งทางใจให้ได้เพราะว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยถ้าตาบใดท่านยังไม่ปฏิบัติท่านไม่ฝึกฝนไม่มีทางพ้นทุกข์อันนี้การันตีล้านเปอร์เซ็นต์คิดเอานึกเอาอ่านเอาพูดเอาเขียนเอาไม่ได้ต้องทำลูกเดียวฉะนั้น ทันที่ยังลังเลอยู่เหรืออะไรอยู่ตัดสินใจนะเหลืออีกประมาณไม่กี่วันแล้วอาตมาเป็นห่วงมากเป็นห่วงจริงๆเท่าที่นั่งดูตอนนี้มันก็ยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มที่เท่าที่อาตมาต้องการซึ่งบรรยากาศที่นี่ต้องยอมรับนะว่าดีกว่าที่ดีกว่าหลยายๆแห่งที่เคยผ่านมามันอนําหนยมากแต่ด้วยความที่เราอาจจะยังไม่เปิดใจหรืออะไรไม่นะัก็อยากจะขอร้องให้ทุกท่านนะครับเพราะเวลาเราน้อยจริงๆแล้วก็ อย่าให้ท่านได้อะไรกลับไปอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านไม่ต้องทำอะไรมากเลยรู้แค่กายท่านอยู่ตรงไหนกายเคลื่อนไหวท่านก็รู้กายนิ่งกายนิ่งท่านก็รู้ว่ากายนิ่งเวลานิ่งท่านก็สังเกตว่าอ๋อมันมีลมหายใจอยู่ด้วยนะครับมันมีท้องที่มันพองไปยุบมาอ่ะก็ดูแค่เนี้ยแล้วก็จบนะครับดูแค่นี้ส่วนใจใจท่านก็ต้องดูความอยาก เวลาท่านอยากท่านก็รู้ว่ามันอยากนะครับอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่ต้องการท่านต้องเห็นเลยว่ามันเป็นความพอใจไอ้ความพอใจนั้นไม่ใช่ตัวท่านนะครับมันเป็นอาการอาการหนึ่งซึ่งเกิดกับท่านแต่ท่านไปยึดมันว่าเป็นของท่านมันก็เลยทำให้ท่านทุกข์ฉะนั้นถ้าท่านไม่พอใจไม่สบายใจไม่ชอบใจให้รู้แล้วกลับมาที่อารมณ์ปัจจุบัน อารมณ์ปัจจุบันของท่านอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่สร้างจังหวะยกมืออยู่ก็รู้ว่ายกมืออยู่เดินอยู่ก็รู้ว่ายกเดินอยู่เอาตรงนั้นเป็นหลักนะครับเอาตรงนั้นเป็นฐานฉะนั้นทุกท่านมีความคิดความง่วงความปวดความเมื่อยความหิวพวกนี้เป็นอาการเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งสิน้นมันจะอยู่กับท่านตลอดเวลาทําลายไม่ได้นะครับอาการพวกนี้ทําลายไม่ได้ ขอให้ท่านคิดว่ามันเป็นอาการที่เกิดกับท่านและท่านไปยึดมากมปเกินของท่านท่านก็นเลยต้องทุกข์นะครับฉะนั้นหนทางเดียวก็คือทามากๆทาตลอดเวลาที่เกียก็ทำขยันก็ทำทำให้สม่าเสมอนะครับทำจนเป็นนิสัยทำให้ต่อเนื่องทำเรื่อยๆแล้วสุดท้ายท่านจะเห็นว่า สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ต้องปเปลี่ยนแปลงมานะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงให้ท่านเห็นเองว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่ต้องอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากเรียบอยากคอือ่ความอยากต้องไม่มีเลยถ้าอยากแล้วท่านจะไม่ได้ไม่ได้สมอยากทำไปเรื่อยๆมันจะได้หรือไม่ได้ช่างมันดีก็ได้ชั่วก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสงบเราก็รู้ ไม่สงบเราก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้รู้ลูกเดียวเป็นผู้รู้อย่างเดียวไม่ต้องทํำอะไรมากนะครับเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็น observer ไม่ต้องด d อดูนะฮะดเด็กสรูดูเฉยๆดูอาการที่มันเคลื่อนไหวแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละช็อตแล้วทุกท่านจะมีความสุขจะมีความสุขในเร็ววันด้วยนะครับส่วนท่านที่ลังเลหรือว่ายังไม่เต็มที่ก็ขอให้สเปยตัวเองนะครับพยายาม เรียกอะไรทูบีคอมโพสอ่ะท่านต้องท่านต้องสํารวจก็เรื่อยสำรวมกายวานจายู่อยู่อย่าอย่าให้ออกนอกกายอยู่อยู่ในกายเราเนี้ยดูกายดูใจเนี่ยตาสอดออกสองออกไปข้างนอกท่านก็รู้แล้วก็จบรู้ก่นจบอย่าไปอย่าไปดูต่อนะครับอยู่ตรงเนี้ยสํารวมอินทรีย์เราเนี้ยเวลามันไปไหนก็มองปุ๊บก็กลับมองปุ๊บก็กลับมันที่ตัวนี้มันจะช่วยท่านได้เร็ว ถ้าถ้าท่านถ้าท่านไปไปมองนู่นส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเนี่ยมันมันจะทำให้ท่านฟุ้งซ่านอ่ะจิตมันกระจายอ่ะจิตมันไม่มีฐานจิตมันไม่ไม่ได้สมาธิฉะนั้นวิธีฝึกเนี่ยฝึกไม่ยากท่านอยู่กับตัวเองพยายามงดการพูดคุยนะครับหายใจเข้าลึกๆอย่างที่เคยบอกไว้นะครับแล้วก็ถ้าหารพวกทานอาทานเยอะถ้าทานเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะง่วง จิตมันจะไม่มีกําลังนะครับเอาแค่เนี้ยแล้วก็ส่วนใครที่ยังยังไม่ขยันก็ขอให้ขยันนะครับกิเลสทางานยี่บสี่ชั่วโมงนะครับท่านทํากรรมฐานแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วไปนู่นไปนี่เดินนู่นเดินนี่แล้วไม่ได้อะไรกิเลสมันกินไปยี่บสามชั่วโมงครึ่งแล้วนะฉะนั้นท่านทำสิบสองชั่วโมงคือสแควร์นะครับต้องสูงกว่านั้นพยายามหน่อยนะครับคนที่ยังไม่ได้อารมณ์หรือจะต้องการอารมณ์ท่านต้องทําเยอะ เดี๋ยวมันจะมาเองแต่อย่าอยากถ้าอยากมันจะไม่ได้นะครับคอ้อล่าสุดมีคนแอ บ, ด, แอบดูอาตมาเดินอาตมาก็ไม่รู้เป็นเจ้าของบริษัทเอ็กซ์พอร์ตส่งออกทางเมืองนอกเป็นพวกเสื้อผ้าวันสุดท้ายเขามากราบก็คุยกันพักหนึ่งเขาก็บอกว่าวันสองวันแรกเขาก็ไม่ได้ทํานะเขาก็เดินไปเดินมาเพราะเห็นอาตมาเดินไปเดินมา มันไปชิงดงกล้วยเข้ามาได้ฮะตอนนั้นไอ้เรื่องนี้ขำอย่าไปเล่าเลยไปเดินโดงโดงดงกล้วยตรงนั้นแล้วเขาก็ดูนเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเขาก็เดินตามเราไม่ได้เมีเราเดินหน้าถอยหลังเขาก็เดินปรากฏว่าเขาได้อารมณ์ก็บอกเขาก็ไม่รู้ว่าอารมณ์นี้มันมาอย่างไหนเขากราบเราเขาบอกว่าอ๋อถ้าไม่ได้หลวงพ่อเดินให้ดูนี่เขาแย่เลยนะเพราะว่าเขาถ้ากับเข้ามาเที่ยวนั้นเขาไม่ได้เลย แสดงว่าเขาเกิดปิติแล้วเขาร้องไห้เลยเขากลับแล้วก็บอกไม่เป็นไรหรอกคุณไปทําต่อเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณจะเขาก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาเขาไม่เคยปรากฏกับเขาเนี่ยเพราะเขาหาแต่เงินทุกวันนี่ขนาดทาแค่คอสสองวันแล้วไม่ทําทําแค่สามวันนะแต่เขาก็ทําแบบจริงจนะังช่วงที่เห็นอาตมาเดินนะนะครับฉะนั้น ก็สังเกตอตาจมาเวลาอาจมาเดินก็พยายามอยู่ยวงห่างอย่าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้เดชท่านจะเครียดนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาหรือว่าจะนั่งก็ได้สร้างจังหวะแล้วแต่ท่านจะสลับไปก็ได้นะฮะไม่ยังเป็นต้องเดินตลอดแต่อตาจมาเป็นคนชอบเดินก็เลยเดินอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาเข้าคอร์สในครั้งนี้นะครับท่านที่ยังลังเลหรือ ย, ยังไม่เต็มที่ก็ขอให้เต็มที่นะครับขอความสุข ความอุดมในทรัพย์ความเจริญในธรรมปัญญาบารมีแล้วขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์ที่เป็นของจริงจริงในวิธีการวัเทียนนี้ส่วนใหญ่เราจะ ฟังจากประสบการณ์เกิดแงรงบันดาลใจไม่ก็ได้อ้างถึงเรื่องหนังสือาหรับตลราเท่าไหร่บทเรียนส่วนใหญ่ความสอนของท่านก็เราจะประสบการณ์แล้วประสบการณ์ของคนหนึ่งก็สามารถเป็นแบบเป็นตําราได้อย่างดีแต่แบบตําราที่เขียนไว้ก็เป็นประสบการณ์ของคนอื่นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีสีสันเหมือน การเอามาเล่านะาว่าเจ้าของคนมีประสบการณ์มาพูดด้วยตัวเองแต่ถ้าว่าเราอ่านจากหนังสือตำราเนี่ยมันผ่านจากเจ้าของมาเป็นตวัตวตัวสื่อ อ, อีกระดับหนึ่งมันก็เลยไม่ได้เป็นสื่อโดยตรงดังนั้นในข้อที่แล้วมาเนี่ยเป็นข้อของผู้ปกครองกับ อ, อาจารย์ ผู้วิจารย์ที่อวบอิ่มสมศิลป์มีข้อที่เรียกว่ามีสีสันมากแล้วมีคําว่าชิงโดมก้วยสิงช่องลมเข้ามาซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่ประทับใจท่านผู้ปฏิบัติได้มีความทรงจําเห็นภาพที่นี่เราก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องตั้งใจคือ เราทำลักษณะมันใคล้ยแข่งขันกันนะนะที่ที่เราทำคือเห็นเขาเห็นเราเราเห็นเขาทําแล้วก็รู้สึกมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็อยากทํบ้างทาไปทํามามันก็เจอด้วยตัวเองคือเราไม่ได้ทําความอยากนะทําอยากโดยไม่ทําด้วยความอยากแต่ทําเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ให้เรารู้ได้เรื่อยๆอะ่ะ แล้วก็ฝึกตัวรู้ได้มากขึ้นซึ่งเราไม่รู้ตัวรู้ที่มันเคยมีอยู่เราก็ไม่ได้ฝึกมันก็รู้ไปตามสัญชาตญาณเรามาฝึกความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นความรู้ที่มันมีอ่ารู้นี้รู้ตัวนะไม่ได้รู้แบบรู้ไหลแต่มันรู้ทนแล้วทนกระแสแต่รู้สัญชาตญาณมันรู้ไหลไปตามความคิด แต่รู้ด้วยสติเนี่ยมันรู้ทวนกระแสมีความคิดมันก็เลยมีอะไรเหมือนกับเราว่ายน้ำทวนกระแสก็ว่ายน้ำตามกระแสเนี่ยว่อยน้ำทนกระแสมันจะมีตรอมีชาติมีพลังว่ายน้าตามกระแสมันไม่ได้ใช้กำลังอะไรเหมือนกันน่ะการที่เรามารู้ทวนกระแสเนี่ยมันต้องใช้พลังสติพลังสมาธิ แต่รู้ตามกระแสมันไม่ต้องใช้สติสมาธิอะไรเพียงไหลมันตามความคิดไปเรื่อยๆมันก็ไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาดังนั้นเองก็ในที่ท่านได้กล่าวมาว่าถ้าเราไม่ใช้ที่นี่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะที่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดที่จะจริทธิตมานะอันนั้นทุกคนต้อง ต้องรู้อะไรสักอย่างที่คนจะรู้นะที่เหมาะสมที่เป็นสปพยะขณะ น, นี้ถ้าไม่รู้อะไรเลยนี่เรียกว่าไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนละเพราะที่นี้ถือว่าเยี่ยมที่สุดละสัพยะแต่ในแง่ของความรู้ประสบการณ์ของพระครูบาอาจารย์อาตมาเองพามาเนี่ย <c oughs> มีอะไรที่อยากจะรู้อยากจะทราบไม่เข้าใจถามได้แต่เวลาถามได้ แล้วก็จะตอบให้ตรงประเด็นที่ต้องการรู้แต่ให้ไปทำให้ได้เท่านั้นแหละแต่บางทีมาถามแล้วไปทำไม่ได้หรือฟังแล้วไปทำไม่ได้ก็ต้องต้องเพิ่มศรัทธาและความเพียรของตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นเองเนั้นเองที่ตรงนี้เราสามารถทำความเพียรได้ถึงวันละสิบห้าชั่วโมงเลยก็ได้ออ น, นอนก็หกชั่วโมงนะเพราะเพียรตลอดเวลาได้นอกจาก แม่แต่เวลาทานข้าวนะก็ยังเพียนได้ถ้าเราเพียนเป็นมันไม่ใช่เวลาไหนที่ไม่ใช่เวลาเพียนนอกจากเวลานอนหลับอับน้ำกินข้าวสักผ้าทำกิจกรรมเพียนได้ตลอดถ้าเราเอาเป็นนะถ้าเราไม่เป็นแม้แต่ทำความเพียนอยู่ก็ยังเอาไม่ได้ดังนั้นก็ขอให้เราศึกษาหาแง่มุมต่างๆที่มันจะให้รู้ให้รู้ได้เข้าใจได้เห็น สภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในกายของตัวเองตลอดเวลาก็จะไม่เสียโอกาสที่เราได้มาใช้สปายะอย่างนี้นะแล้วก็ถือว่าอะไรหลายอย่างที่มันเป็นข้อดีบรรยากาศความเป็นอเอกเทศแล้วก็คิดว่าในช่วงระยะนี้จะมีมีฟ้าฝนลกกวนอะไร แดี๋ยวเขให้เราได้ใช้โอกาสอันวิเศษเนี่ยในใจปฏิบัตินะก็มีอาการจะรทำเท่านั้นแหละไม่มีอะไรการปฏิบัติทำก็คือปฏิบัติทำแหละคือทําเอานะทำํำไปแล้วมันจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจแล้วเนี่ยแล้วก็รู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปศึกษาเข้าไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นบางอย่างมันก็เหมือนด้วยํามซาก แต่ว่ามันไม่ได้ซ้าอยู่ที่เก่าเหมือนกับเราเห็นเขาในช่างเจาะบอบดานเจาะที่เก่าเครื่องก็หมุนหมุนในจังหวะเดิมแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เก่ามันได้เจาะลึกลงไปเรื่อยๆนะหรือช่วงเราตําข้าวตําครกเดิมสากเดิมแต่ว่าตําบ่อยเข้าไปเข้าข้าวมันไม่อยู่เหมือนของเดิม มันละเอียดไปเรื่อยๆจากเปือกเป็นสารจากสารเป็นลำจากลำเป็นแป้งไปเรื่อยๆนะใจเราก็เหมือนกันตัวรู้เป็นเสมือนตัว <c oughs> หัวเจาะหัวบทที่มันปั่นอยู่ตลอดตัวรู้รู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปตัวที่มันถูกรู้ก็จะคอยละเอียดลงเรื่อยๆตัวคิด ตัวอารมณ์ต่างๆค่อยถูกบดละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปประณีตไปเรื่อยๆในการกระทํามันมีความหมายขอให้มีการทําเกิดขึ้นกันแล้วกันสภาวะธรรมต่างๆที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วอกุศลมีมาเราก็ต้องรู้ก็บดให้มันละเอียดถ้ามันหยาบอยู่แล้วว่าเป็นอากุศลเมื่อมันถูกบดละเอียดแล้วมันก็จะเป็นกุศล จริงจกุศลอกุศลมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราจัดลงในครกโซ่ที่มันคด เ, เลือกอยู่มันก็เหมือนเป็นอกุศลกินไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่พอมันบดถูกบดให้ละเอียดแล้วมันกลายเป็นข้าวเป็นแป้งก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นว่าไปสิ่งที่กุศลอกุศลก็สิ่งเดียวกันนะแต่ว่าผ่านขั้นตอนของการบดละเอียดเท่านั้นเองเนื้อสุกกับเนื้อดิบก็ก้อนเดียวกันน่ะ ใจวานผ่านขาบวนการนะจากเนื้อดิบที่กินไม่ได้มันเป็นเนื้อสุกที่กินได้ทั้นเองจากผลไม้ที่ดิบที่หืนที่เปื่อนที่ขมที่มียางมีพิษกินไม่ได้แต่พอมันสุกมาเปลี่ยนไปผลไม้ลูกเดียวกันนั่นเองนะใจที่มันเคยคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่ตกกงังวลคิดอกุศล กับใจที่มันสงบสงัดวิเวกแล้วก็สะอาดมันก็ใจดวงเดียวก็นนั้นแหละแต่มันต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงมีความหมายในแง่ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้ท่านตั้งใจเพราะฉะนในช่วงนี้เราก็จะได้นำทำความเพียรกันต่อไป